คณะสัทธาญาติโยมโคงจะเอ๋หลวงพ่อดูกระดาษอะไรที่วะเนี่ยพราะเขามาส่งให้เมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลเมื่อวันที่28ที่หลวงพ่อไปฉันเขาทําบุญที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรอลละลยนี่มวนหลวงพ่อตรวจสุขภาพตรวจ ไขมันตรวจอะไรต่อไม่อะไรหัวจงหัวใจหลายอย่างแต่ผลสรุปออกมาแล้วก็บอกว่าผลสรุปการตรวจทางห้องปฏิบัติการไขมันหลวงพ่อสูงอะาเนี่ยคำแนะนำในการดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันการตรวจเลือดเพื่อติดตามไขมันในเลือดอีก สามเดือนจึงกราบนมัสรรการมาณนะที่นี่ไขมันหลงพอ่งงง อ, อนี่ทั้งไตกิจายทั้งคอเลสเอรอลโดยมากสูงแต่คราวนี้ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ลดลงบ้างแล้วแต่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าสูงแต่ตามไม่จริงก็ ผู้สูงอายุทั้งหลายก็ควรจะฟังฟังแพทย์ฟังหมออย่าไปดันผู้หลังแต่หลวงพ่อก็พยายามอยู่นะพยายามจะลดแต่คิดว่าพวกผลไม้พวกผ ล, ไ ม, กผลไม้เนี่ยที่หลวงพ่อฉันน่มันอาจจะมีส่วนอยู่แต่ส่วนอื่นก็ไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่ แต่ถึงยังไงก็ต้องระมัดระวังทำไมแต่หลวงพ่อกลัวที่สุดก็คือเอามาพึกเอามาผาดถ้าหากว่ามันข้นไปปิดหัวใจปิดสมองมันปิดหัวใจถ้าปอกก็จบไปแต่มันไม่ปิดสมองนะเจ้เงียเส้นเลือดเข้มข้นไปอุดตันสมอง ข้างใดข้างหนึ่งเป็นอํามภพึกอมภพาดแต่ทีนี่ทํำยังไงตายก็ไม่ตายหายก็ไปหายช่วยตนเองก็ไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นเขาจุดนี้เป็นจุดที่ผู้สูงอายุทั้งหลายควรจะคิดไม่ควรจะเห็นแก่ปากแก่ท้องจนเกินไปถ้าเหตุแก่ปากแก่ท้องอะไรอร่อยก็หมั่เข้าไปเรื่อย ผลที่ชุดนั่นน่ะไขมันไตกิซลายคอเลสเอตอรอลไตกิซลายก็คือไขมันไปเกาะในฝาผนังเส้นเลือดเลือดไหลไม่สะดวกอันนี้ว่าอันตรายแล้วก็คอเลสลเตอรอลเลือดเข้มเลือดข้นเลือดมีไขมันเยอะ จนเลือดเนิดไหลไม่สะดวกก็ทำให้ไปปิดสมองเป็นอมพึกอมาพาดเมื่อเป็นอมพึกอมผาดนีปัญหาจะทำยังไงตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายผลดีสุดลูกหลกานเขาใหม่ๆเขาก็เลี้ยงดียหรอกพอต่อมา หลายปีหลายเดือนเข้าไปนี่นั่นะโมโหอะไรแตเนี่เราได้ยินขนาดเป็นครูบาอาจารย์ก็เถอะนะถ้าหากว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่มีคุณธรรมในจิตใจมุ่งหวังแต่ทางโลกต่อหน้าคนก็ดีเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเองนะดูแลผลนิบัติครูบาอาจารย์ดีแต่พอรับหลังไม่มีคู่คนก็โชคโกหัก อด่าครูบาอาจารย์แบบไร้ความเคารพในครูบาอาจารย์เพราะลูกศิษย์ไม่มีคุณธรรมอไม่มีธรรมในใจอจุดนั้นะเป็นจุดที่ไม่รู้จะทํำยังไงออาจารย์ก็มีตงแต่รู้รู้อยู่แต่ไม่รู้จะทํำยังไงมีแต่มองตาแผลแปลแผลแผลแผลเอย คงจะนึกปรงตกเหมือนกันเออกรรมของกูน้อกรรมของกูน้อก็คงจะว่ายอย่างนั้นเท่านั้นนะเออจะทํำยังไงออต่อหน้าเขาก็ดีแต่ออพอรับหลังอีกบางอย่างหนึ่งออตรงพ่อเคยได้ยินะผล่ในสุ ก, ก็เลยพอมารู้มาทราบทีหลังก็เลยเอาออกเอาองค์นั้นออกไปเอาองค์อื่นเข้ามาแทนก็รู้สึกว่าท่านมีสุขภาพดีขึ้น สิ่งเหล่านี้มันมีในโลกเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะ่ะไม่ว่าพระไม่ว่าหลวงพ่อเองนะ่ะต้องระมัดระวังเรื่องรักษ า, ารักษาสุขภาพช่วงนี้ยนะที่เอามาเพลกกับมะพราดเนีเอามะเามาพกกับมะพราดก็คือเรื่องอาหารเป็นหลักถ้าทานอาหารไม่แต่ทานเข้าไปโดยที่ไม่ได้คิดเนี่ย เส้นเลือดไปอุดในสมองเ็ต้องคงจะเป็นกรรมด้วยล่ะที่เป็นบาปเป็นกรรมของตนเองอีกในอดีตชาติเขาคงจะค้อนคงไปทุบหัวหมูหัวหมาหัวคนใครก็ไม่รู้ล่ะจนเป็นเขาสลบเหมือดผลในสุดเขาก็เลยเส้นเลือดแตกในสมองกรรมตรนักตามสนองมาหาตัวเอง มันอาจจะมีส่วนเหมือนกันบางครั้งนะบางคนนะแต่บางคนงกกอกมในปัจจุบันปัจจุบันนกกรกรก็คือไม่ได้รักษาสุขภาพของตนเองปล่อยปะละเลยจนเกินไปก็จนทำให้เจนเลือดแตกอันนี้ว่าปัจจุบันนักกำอดีตกรรก็คือคงได้ไปทาให้กับสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายในอดีตชาติ กรรมนั้นตามสนองมาถึงพบนี้ชาตินี้กันได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตชาติเพราะฉะนั้นกรรมมันมีอยู่สองอย่างอันที่ตชาติันแก้ไขไม่ได้แก้ไขยากมีแต่สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอุทิศวนกุศลให้และก็ปัจจุบันนกรรมก็ต้องระวังการอยู่การกินการพักผ่อนนอ น, อนเป็นเวลเวลาอันนี้คือปัจจุบันนกรรม ถ้าเรารักษาทั้งสองอย่างนี่แล้วนะก็เออจะถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นอ่าเราก็ต้องน้อมยอมรับค่าห่างเกิดมานะเนี่ค่าห่างเกิดมานะถ้าค่าไม่เกิดฉลาดจ้อย่างคงจะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะค่าเกิดมันจึงมีเพราะนั้นจะทำยังไงค่าจึงจะไม่เกิดนะ ให้พวกเราคิดว่าทำไมจะทํายังไงค่าจึงจะไม่เกิดเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ท่านบอกเอาไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเอาไว้ทางว่าเกิดมามันต้องเป็นอย่างนี้แก่เจ็บตายต้องตามมาอีกเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอีกเกิดแกเจ็บตายอีกพอเกิดขึ้นมาแล้วแกเจ็บตายตามมาอีกจะเม่นกี่หมื่นกี่แสนชาติจะเป็นอยู่ในสถานะไหนร่ํารวย เศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าฟ้าพระเจ้าจักรพรรดิระดับไหนก็เถอะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วตายจะต้องตามมาทุกทุกภพ ท, ทุกชาติเพราะนั้นจะทำยังไงจึงจะไม่เกิดมันต้องหาตนต่ออย่างเขาไปหาตนต่อจุดที่ไม่เกิดจะทำยังไงคือใจใจนี่คือไปปฏิสนธิออกจากร่างนี้แล้วก็ไปก่อเกิดอีก ถึงจะไปสวรรค์ชั้นพรมไหนไปอยู่พรมมโลกอย่างลืสีนะ่ะลือศีสีพรยที่ท่านภาวนาปฏิบัติพอตายจากลือีท่านก็ไปสู่พรมมโลกไปสู่ชั้นพรมออกจากชั้นพรมลงมาก็มาเกิดมาเกิดเป็นสุดแท้แต่ใครจะเกิดเป็นอะไรนะ เ, เกิดได้ทั้งนั้นแหละ อ, อ, อย่าง เอลูกของเจ้าควายเจ้าแผ่นดินอ่ะพอเกิดมาก็มาเกิดเป็นหมูก็มีนะลงมาจากพรม่ะเ้วลงมาจากพรมมาเกิดเป็นหมูเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปบินทบาทที่กรุงราชสกุลกับพระอานนท์เห็นนางหมูน่ยคือหมูตัวเมียหากินอยู่ข้างๆถนนพระพุทธเจ้าเห็นแล้วยิ้มพระโอษฐ แยมพระโอตโอกรรมเนี่ยเป็นได้หลายอย่างหนอนะพระานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แย้มพระโอตด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าข้า น, ะนี่เห็นไหมนะอานนท์นางหมูนั่นนะหมูจะได้มาจากพรหมโลกนะมาเกิดนะอืมอด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าข้าเนะพราะกรรมกรรมกรรมดีขึ้นไปเกิดในพรหมโลก พอหมดกรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทําในอดีตในอดีตชาติเข้ามาเข้ามาล็อกในดวงวิญญาณลงมาเกิดมาเกิดเป็นหมูฮะนี่แหละมันสูงถึงขนาดนะั้นมันต่ําได้ไม่ว่ามนุษย์โลกไม่ว่าสวรรค์ชั้นพรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเมื่อสูงได้ก็ต่ําได้เมื่อต่ําได้ก็สูงได้แต่ทีนยังไงก็อยู่ด้วยกรรมกรรมคือการกระทํา การกระทำของตนเองผลนั้นอย่าทำกรรมชั่วให้ทำแต่กรรมดีแต่ทำยังไงอผลในสุดถึงจะทำกรรมดีกรรมชั่วอย่างไงก็กเถนะิะผลในสุดก็ตายอีกอย่างเก่าเกิดแก่เจ็บตายอย่างเก่าถึงจะทำกรรมดีขนาดไหนผลใ น, นสุดก็ตายอระดับสูงขนาดไห น, นก็ตายล้ำรวยขนาดไหนก็ตายความตายตัว น, นั้น มันหาความสุขไม่ได้นะความตายมีแต่เรื่องทุกทั้งนั้นเลตอนก่อนที่จะตายพอตายแล้วก็ลืมไปเกิดมาพบหน้าชาติน้าก็เออสนุกสนานไปอีกเกิดมาก่อนที่จะตายก็ทุกอีกเออข้าจยอมแล้วข้าจะไม่อยากจะมาเกิดอีกแลออที่ไหนได้ก็ลืมอีกนี่แหละอันนี้ก็คือดวงวิญญาณใจดวงนั้นนะ่ะไปปฏิสนธ์ที่ไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆ อย่างไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์โอ้ตายข่าเนี่เกิดเป็นสัตว์แล้วข่าวนี่ยเลอย่างพ่อค้าควายพ่อค้าควายไปขาควายไปขายควายที่ไปขายสมัยนั้นเขเรียกว่าคนทางอีสานเนี่ยไปขายควายไทยไปขายควายไทยก็คือไล่ฝูงวัวควายข้ามดงพญาเย็นดงพญาไฟอะไรดงพญาไฟโคราชเนื้อ คือเขาใหญ่ลงไปก็ตกทุ่งสระบุรีแล้วก็ลงไปขายอายุทยาไปขายควายไทยพอถ้ายไปกินอาหารพิษไปกินปลาไปกินอาหารพิษท็อก็เลยตายคอตายตายเดินขึ้นมามากับพวกพ่อค้าฝูงควายนั่นะมากับุ๋ง พวกที่ไปขายควายอพอไปโอ้โหมันเห็นหิวอาหารจริงๆมันเหนื่อยจริงๆก็เลยเข้าไปนอนไปนอนในโพรงไปนอนในที่บ้านอีกหลังหนึ่งเดินทางมาไปนอนในในบ้านอีกหลังหนึ่งอไปนอนพอนอนตื่นขึ้นมาเลยที่ไหนได้ที่ตัวเองไปนอนน่คือเข้าไปเข้าท้องควายอไปเกิดในท้องควายเพื่อน อ, อพอออกพอออกมาชาวบ้านเขาโอ้เราได้ควายแล้วเนี่ยมันลูกมันออกเป็นควายตัวผู้ว่างั้นตายเขามามองรุมดูตัวเองถึงโอ้ตายข้าเนี่เป็นควายอลไรที่นี่ว่างั้นออตอวตัวเองเป็นไปขายควายไปขายควายทางอายุทยากลับมาตัวเองมาตายแล้วมาเกิดเป็นควายตายข้าเป็นควายแต่ข่าวนี่เอาถ้าข้าจะไม่ กินน้ำละ่ะไม่กินน้ํากินนมละ่ะข่าจะให้ตายเร็วๆเพราะว่าข่าเป็นควายเลยเนี่ยไม่เป็นควายลจะขอตายนะเออไหมพอไม่กินน้ํากินนมมันหิวทีนี่พอมันหิวเสร็จแล้วก็โอ้ไม่ได้มันหิวมากๆพอได้จุกกินกินนมแม่พอกินนมแม่ถ้ามันกมันก็ไม่ตายแต่ใจไม่ควาย พอไม่ตายมันก็มันกัด ม, มันหิวเนี่ยมัน ก, ก็กินนมเข้าไปเลยเออก็ดีเนี่วะ่ะต่อมาก็กิกนน้ำกินหญ้า ก, กินอะไรเข้าไปทนยพ่อเป็นควายหนุ่มพอเป็นควายหนุ่มขึ้นมาน oh. สมัยก่อนเรามีแต่จับควายมาไถนาะสนตะไายเสร็จแล้วก็มาเอามันมาไถนาะตีมัน นนนเนี่ยยังไอ้ข่าครับไม่ไถนาแน่แน่เพราะมันระลึกชาติได้เด้มันระลึกชาติได้แต่ที่ก็ไม่ไถนาเพราะเขสนตะภายเขามนุษย์เขาก็จับใช่ไหมจับได้ก็สนตะภายสนตะภายก็เอาใส่ไถไม่ไถมันไม่ไปแทะเขาหัวก่อนคอเขาไตาผมมันเจ็บเต็ทเลยเจ็บก็ต้องไถนาให้เขาเห็น เออบางตีตัวเองก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนมาเกิดเป็นควายไงแต่ในใจนะไม่รู้จะทํำยังไง อ, อตายซะดีกว่าว่าฆ่าเนี่ยเออแล้วจะทำยังไงไถนาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นั่นอเ อ, อ่อทำไปทให้ดันไถให้เขาเขาก็แซ่หวดเขาตีตีควายผลในทุดวันหนึ่งเขาก็ปล่อยควายตัวนี้ออกไป พอไปก็ควายเจ้นึงก็ไปหากินในดงในป่านะพอไปก็ไปเห็นเนี่ยหล่องน้ำหล่องน้ํามันไหลลงลงมาจากเขานะแล้วก็มีลากไม้เป็นสารกันเนะนี่ยจนถ้าครับว่าคนอยู่ในบ้านนอกจะเห็นเนะเวลาน้ําไหลลงมาจากภูเขาเนะี่ะมันจะผ่านมันเป็นหล่องน้ำนะํำมันจะเป็นลากไม้ก็ลุงอีลุงตรงนั่งกันไปหมดนะแต่ใ้ควายเจ้นี้ก็เห็นเออ ฆ่าตัวเองตายดีกว่าอดีกว่าจะเป็นควายอย่างนี้นะพราะว่าท่นั่นก็เลยเอาหัวหมดลงไปในในลากไม้ที่มันอีลงตรงนังนะขาซี่ขึ้นฟ้านเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นเมือนหควายนั้นก็เลยตายพอตายท่านี้นก็มามาเดินออกจากท้องควายนะมาเกิดเป็นคนมาเนี่ยกลับมาเดินเดินมามาถึงบ้าน มาก็เลยมาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นคนกับลูกกับหลานนะก็เลยมาพูดพูดให้เขาฟังโอ้ตายข้าแต่ก่อนเป็นนายห้อยชื่ออย่างงั้นไปขายควายไทยไล่ฝูงควายไปที่อยุธยานะผลทีโชครุนมากตายอยู่ที่อยุธยาเดินมา ก, กับพวกพ่อค้าควายนะมาถึงครึ่งทางเห็นว่ามันเหนื่อยก็เลยเข้าไปพักใน ในหนเงือมใดถ้ำอันหนึ่งหรือว่าเป็นที่พักแห่งหนึ่งพอที่ไหนได้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่อื่นนมันเป็นท้องควายเกิดมาเลยเป็นควายอพอเป็นควายก็นี่น่ะเขาคนเล่าเป็นตุเป็นตาให้เมื่อเขาเกิดมาอีกพบหนึ่งชาติหนึ่งอันนี้หลวงพ่อเป็นเด็กนะเป็นเนร อาหนอมเน่เป็นคนเล่าเล่าให้ฟังนะเอออาหนอมรู้จักหมดว่าคนเป็นใครชื่อว่ายังไงนะอหลวง พ, องงพอ่อได้ยินหลวงพ่อมันมีส่วนจริงๆในว่าเออเพราะว่า ว, าวิญญาณดวงนี้นะใจของเราเนี่ยมันออกไปเนะี่ยมันออกไปเกิดไปปฏิสนธิในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเ จ, าจ้าจ้ะวอการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยวาชลาพุทธะเนะี่ย เกิดในขันอันทชชาเกิดในไข่สังเสทชาเกิดในเถาในเท่าในใครใครับ่าดถิงที่หมักหมมที่สิ่งที่เกิดในถิงที่ศกกรปกโอปป า, ปาติกะ เ, เกิดผลขึ้ น, นกําเนิดกําเนิดสี่ชุดแท้แต่วิญญาณของเราเนี่ยจะไปปฏิสนธิที่ไหนสมมติว่าเราตายไปปุ๊บบุญของเรามี เราก็ไปหาเกิดเลือกเกิดได้เราจะไปสู่สวรรค์พักผ่อสก่อนหรือจะไปเกิดในภพภูมิไหนถ้ามาเกิดเลือกมาเกิดเป็นมนุษย์เไม่ไปเลือกเกิดตระกูลที่มีเป็นสัมมาทิฏฐิตระกูลที่มีเงินขาทรัพย์สมบัติเราไปเลือกเกิดได้เพราะเรามีบุญถ้าต่ําลงมาอีกก็ไปเกิด เลือกเกิดในสถานที่ตรงไหนแต่ถ้าโนไม่มีไม่มีบุญก็อย่างที่ว่านะอย่างพ่อค้าควายเนอะไปเกิดแบบไม่ได้ตั้งใจที่ไหนได้ไปอยู่ในท้องควายเกิดขึ้นมานตัวเองเป็นควายเนะนี่แหละอันนี้ก็คือชลาพุ ช, ชะเกิดในคันพวกเกิดในคันกับพวกหมูหมาวัวควายไนอะ ชลาพุชะอันทชะเนี่ยชลาพุชะเกิดในคันอันทชะเกิดในไข่สังเสริฐชะเกิดในเท้าไข่โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นพวกเกิดในไข่ก็คือพวกเป็ดพวกห่านพวกนกเนี่ยเกิดในไข่อ่สังเสริฐชะก็เกิดในเท้าไข่แค่ว่าเราเอาหม่อน้ำเออแล้วก็เอาไปไว้ ไปตั้งเอาไว้เนะี่ยแล้วก็เกิดไสเดือนเกิดอะไรตัวแดงๆอะไรกันน่นอะันนะั้นะนะเกิดในถิง่งสิ่งที่ศกกระปลกอแล้วก็ถือกําเนิดในสิ่งที่ศกกรปลกเกิดขึ้นอโอปปาติกะ เ, เกิดผุดขึ้นอย่างพวกเป็นเปลยพวกอสุรกายาแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเห็นมแมลงตำข้าวนะหลวงพ่อเห็นนะ มแมลงตํามข้าวเนี่ยโอปปปาติกะเอี่มแมลงตําข้าวมันเกิดอยู่ใบใบขุนทานใบโกทานเนอแต่ขวันมันยังมันยังติดต้นไม้อยู่แต่ว่าขาของมันน่ยเป็นมแมลงเนี่ยดิ่งเวี่าโอปปปาติกาแค่เขาวิญญาณไปเกาะในใบไม้นั้นอ่ะพอไปเกาะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหลน่นก็มาก็เป็นมแมลงแต่เมื่อยังไม่เกาะ มันยังไม่หลุดจากต้นไม้เนี่ยมันก็มีขามีก้นมีตัวของมันแล้วก็มีขามันก็ดิ้นได้เนี่น่ะมันแปลกเหมือนกันนะลูกหลานกนัตถาญาตโยมเนี่ยว่าโอปปาติกะใคราว่าวิญญาณไปเกาะปฏิสนธิในจุดนั้นนะพอเสร็จแล้วนะเกิดขึ้นมาเนี่ยว่าโอปปาติกะเกิดผดขึ้นโดยที่ไม่ได้ไปเกิดในเท่าในใครในคัน นี่แหละกว่ากำเนิดมีอยู่สี่ในหลักของพระ พ, พุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราเน่ถ้าว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เนี่ยพร้อมที่จะเคว้งคว้างไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้นก่อนที่จะตา ย, ยท่านจรงว่าให้ระลึกถึงคุณงามความดีให้ตั้งจิตใจให้แน่วแน่ให้จิตใจให้มั่นคง เ, นเราอยู่ใน อย่างไงในขณะนี้ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของตนเองที่ได้ทำไว้เมื่อจิตใจของเรารละลึกถึงคุณงามความดีเมื่อตายออกจากลุดออกจากร่างใจของเราก็จะไปสู่สุคติและไปทางที่ดีแต่ถ้าว่าใจของเราไม่ได้คิดไปในทางที่ดีเมื่อก่อนที่จะตายโมโหอครับแค้นแน่นใจพอตายไปแล้ว อาจจะไปไปเกิดเป็นสิงโตไปเกิดเป็นเสือไปเกิดเป็นงูเออเป็นไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดุร้ายได้นะเออในพระไตรปิฎกท่านพูดอย่างนั้นเออท่านพูดเอออย่างพระพญาธรรมโศกราชเนี่ยแต่นี้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะเออพอพระพุทธเจ้าปรินิพานใช่สามกว่าปีเออท่านอาจจะเป็นภาษา voke ท่านใดท่านหนึ่ง ที่ท่านได้เลียงเลียงเอาไว้พญาธรรมโสกราชเนี่ยปกครองสร้างถาวรวัตถุในประเทศอินเดีย4 0 0 0นสี่พชิ้นนะเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลมากลูกชายก็จะเป็นพระหรันพระมาหินลูกสาวก็จะเป็นพระหรันนางสังฆมิตราที่เป็นผู้นาพระพุทธศาสนาที่มาที่ประเทศสีลังกาเนี่ยพระเขียวแก้วนะ นี่ละลูกของพญาธรรมโสกราชนะแต่ท่านี้พอพญาธรรมโสกราชตายไปไปเป็นงูนะออแปลกไหมออไปเกิดเป็นงูใหญ่อันนี้ท่านพูดมาในในพระไตรปิฎกนะแต่พระพุทธเจ้าพริริพนปานไปแล้วสามร้อกว่าปีประจวบพญาธรรมโสออสวรรคตนะ่ะทำไมเพราะว่าก่อนที่พญาธรรมโสกราชเนะี่ยที่ท่านจะสวรรคนะ์น่ะ ท่านได้ทาสร้างคนงามความดีมากมายเ อ, อเป็นที่ในหลักของพุทธศาสนาก็ไม่แพ้ใครแต่ว่าก่อนที่จะตายนะนะท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากท่านก็บอกเสนาอำมาราชเวกทั้งหลายเออเงินในท้องพระคลังก็มีอยู่แต่เงินในส่วนเงินส่วนตัวของข้าพเจ้าเนี่ยมีอยู่ในนั้นไปเอาไปทําบุญให้หน่อยนะ ไอ้ทำบุญให้ข้าพเจ้าด้วยเข้าพเจ้าอยากจะทําบุญนะเงินชั่ว น, นั้นแต่นี้พวกมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ฮพระเจ้าไปดินทําบุญไอ้พวกเจนาอมมาล ร, ราชเสวกทั้งหลายแต่โอ๊ยพระเจ้าไปดินอาการหนักถึงขนาดที่จะตายพอแรงแล้วพวกเราไม่ต้องเชื่อฟังหรอกไม่ต้องทําตามเขาก็แข็งคอพอเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็พูดสั่งยังไงเขาก็ยอมรับ แต่ข่าวนี้เขาไม่ยอมรับเลยวตัวเองใกล้จะาตายแล้วเอเพราะว่าหมดอํานาจแล้วแต่นี้พญาธรรมสุกนี่ก็โมโหให้เขาเออว่าเขาไม่ปฏิบัติตามที่ตนเองได้สั่งเอาไว้สั่งบอกเอาไว้เนี่ยมันเป็นเงินของข่าเนี่ยว่ะเอเงินส่วนตัวของข่าไม่ใช่เงินขลองบักขังเงินขลองบักขังอีกส่วนอันนี้เงินส่วนตัวของเราเราจะทําบุญทําไมมันไปฏิบัติเอาเถอะ เมื่อค่าหายขึ้นมาเนี่ยค่าเทท้องประครังทำบุญทั้งหมดนะจิตใจเป็นกุศลอยู่นะแต่ก็มีอารมณ์โกโรธใช่ไนหะอจากนั้นท่านก็เลยสวรรคตรตายพอตายออกจากร่างเท่านั้นแหละตอนนีนอตายด้วยความโกโรธนะตายด้วยความโมโหไปเกิดเป็นงูเด้ไปเกิดเป็นงูอ ย, นงอยู่ในหนองน้ำใหญ่ <c oughs> <c oughs> เกิดแบบผดขึ้นเลยล้ว่างั้นเถะ เอไปเกิดในน้องน้ําใหญ่ได้กลางตรงนะหากินกบกินเขียดไปเลยถนะ้ามันหิวได้อย่างที่ว่านะเหมือนกับควายนะันนะในที่แรกแต่จะไม่กินนมไม่กินนมแม่เราข่าเกิดเป็นควายเนะี่ยใมันตายไปเลยมันหิวทีนี้เพราะมันหิวก็ไดนะ้มันก็ต้องกินนมแม่พอกินนมแม่มันก็ไม่ตายเลยทนะ่านอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านไปเกิดเป็นงูเป็นงูเสร็จแล้วก็ท่านก็แคว่งคว้างนะกินกบกินเขียดกินอะไรต่อมีอะไรพอเลี้ยงชีวิตตัวเอง ตอนนี้พระมหินท่านเป็นพระรหันแทเอ้พ่อของเราเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนนาะเนี่ยท่านท่านก็มองดูเพราะพท่านไดยานรัตนะเนี่จุดูปปตาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปที่ไหนท่านเป็นพระรหัน์น่พระมหินเนี่ยท่านก็เลยมองดูเอ้พ่อของเราไปไหนนาะตายไปแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนวะนะเนี่ยเพราะท่านก็เลงไปสวรรค์ก่อนเพราะว่า ท่านมีแต่สร้างคุณงามความดีใช่แต่ที่ไหนได้พ่อไปเกิดเป็นงูใหญ่เอ่อเคว้งคว้างอยู่ในหนองนะ้ํากลางหลงกลางป่าที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> พ่อมเมหินก็เลยโอ้ตายพ่อเนี่ไปผิดที่ผิดทางซะแล้วพ่อมเมหินก็เลยไปโปรดนะเออพอไปไปการแสดงตนให้ปรากฏขึ้นมากันเรียกเลยนะคุณพ่อ จำอาตมาได้ไหมนี่ลูกชายนัย่นเนี่ยพมาหินน่ลักษณะอย่างนั้นลหละเออพ่อของมองดูเนี่ยพ่อเนตายเพราะความโกรธโกรธโมโหให้เขาเนี่ยพ่อจึงตกต่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะ ย, ยมพ่อนานะเออต่อนนี้ไปให้พ่อลักษาศีลห้านะจะไปกินสัตว์ที่มีชีวิตถ้ามันตายแล้วจึงก่อยกินถ้ามันไม่ตายอย่ากินเออลักษาศีลห้านะพ่อนะ รักษาคุณงามความดีรักษาศีลห้านะงูจะนั้นก็ฟังพอฟังอะไรกันงูจะนั่งกัรักษาศีล5้าจริงๆไม่กินพวกสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่เนงดไม่กินพอรักษาศีลห้ามันจ ะ, จะนานเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะไม่มีสัตว์ตายให้กินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนกับคนไปจ่ายในตลาดอย่างนั้นได้งูจะนั้นก็เลยตาย พอตายอเ น, นิสงสิณอเนกสงทานอเนกสงคุณงามความดีของท่านท่านก็ขึ้นไปสู่สวรรค์นะ่ะอั น, นิสงของท่านมีอยู่มากมายมหาศาลแต่ในโค้งสุดท้ายที่ท่านจะตายนั่นะนะ่ะท่านโมโหให้เขานี่นะ่นะคนโบราณเขายังบอกว่าก่อนที่จะตายผู้ใดจะตายให้ได้ลึกถึงคุณงามความดีให้ได้ลึกถึงบุญกุศลอย่าไปสงจิตไปคล้องแวะในเรื่องต่างๆ ให้จิตใจเข้ามาสู่ตัวเองเลยให้รละลึกถึงบุญกุศลก่อนที่เราจะออกจากร่างของเราก่อนที่จะตายพูดง่ายๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราฝึกเตรียมเอาไว้ถึงยังไงยังไงก็มีจุดจบแน่ๆอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่ต้องสงสัยเลยเนาะความตายเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ต้องเอาไม่ได้พูดแล้วไม่ต้องว่านะาความตายมาขู่กัน เรามาพูดามาพูดให้กันฟังอา่าพูดให้กันฟังจนเคยชินจนไม่ไม่ถึงกับกลัวตายเถ้าเราไม่เคยพูดให้กันฟังเนี่ยโอ้พอพูดเกินตายเนี่ยเรื่องตายแล้วมาสะดุ้งทันทีเลยเพราะกลัวตายเนีพอพูดทุกวีทุกวันก็มาวะไม่รู้จะกลัวไปทําไมเฮ้กลัวให้โง่ทําไมกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตา ย, ตายเออมันเท่ากันนะเลยเพราะนั้นจะไปกลัวมันทําไมมีช่องทางไหม ในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีช่องทางไหมที่จะให้เราไปสู่ความสุขที่จะไม่ตกทุกข์ก่อนที่จะตายมีช่องทางไหมนี่แหละมีช่องทางอย่างที่หลวงพ่อเนีพูดได้กล่าวให้พวกเราได้ได้ฟังนะต่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรในทีนี้นะ